เรีนชื่อหลวงปู่ดุลนะอตุโลลูกศิษย์ุ่นแรกๆของหลวงปู่มั่นท่านมรณภาพไปเกือบสามสิบปีล้ะตอนที่ท่านยังมีชีวิตยอยู่แล้วก็เป็นที่เคารพนับถือของผู้คนมากมายทั้งพระทั้งโยมลูกศิษย์ลูกหาก็มีเยอะมีลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อหลวงตาพวงก็จ ะ, ะบวชเมื่อแก่ แตบวช ด, ด้วยศรัทธานะบวชแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังนะแต่พอปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็เกิดวิปัสสนูนะวิปัสสนุปกิเลสนะชื่อเรียกเต็ ม, เ, ต ม, เ, ตมเนี่ยก็สําคัญตัวนี้ว่าเป็นพระอระหันต์จิตใจก็พองโตนะพอรู้พอเข้าใจเป็นพระอระหันต์เนี่ยก็อยากจะสอน แล้วก็นึกถึงนึกถึงหลวงปู่ดุลนะผู้เป็นอาจารย์อยากจะไปสอหลวงปู่ดุลนะให้รู้แจ้งเห็นจริงเหมือนตัวเองบ้างนะก็เลยเดินนะเดินจากพนมรุ้งนะบุรีรำเนี่ยไปที่วัดบุรพารามนะจังหวัดสุรินทนระ์เรเรียกว่าระยะทางก็แปดสิกิโลมั้ง ก็เรียกว่าเดินทั้งวันนั่นนะทั้งวันทั้งคืนนะ่ไปถึงวัดบุรพารามก็ค่ำละก็ไปตะโกนเรียกหลวงปู่ดุลที่นาคติให้ออกมาออกมาฟังธรรมหลวงปู่ดูลย์น่นก็เปิดกุฏิเปิดประตูพอหลวงตาโพเห็นหลวงปู่ดุลก็ บอกว่ า, าทำไมอยู่เฉยๆงั้งนะทำไมไม่มากราบนะพูดสำเร็จมาแล้วนะกราบสินะบอกให้ครูบาอาจารย์นะกราบรู้ประดุลรู้รู้ว่าเนี่ยพิปสนูกินแล้วก็พยายามที่จะช่วยนะพยายามเตือนสติให้รู้ตัวเช่นสอบถามปัญหาธรรมะ หลวงตาพวง ก, ก็ตอบผิดๆถูกๆก็ยังไม่รู้ตัวนะเพราะว่าหลงเต็มที่เลยสุดท้ายหลว ง, งปูดูลก็บอกให้เนรบอกให้พระเนรินพาหลวงตาพวงไปพักในโบสถ์ก็นึกว่าวันรุ่งขึ้นจะสางนะก็ยังหลงอยู่แล้วก็เที่ยวเทศเที่ยวสอนพระ สอนเนนทั้งวันทั้งคืนนะไม่มีเน็ดเหนื่อยเป็นอย่างนี้อยู่สามวันเต็มๆหลวงปู่ดูลนก็เห็นแล้วเนี่ยว่ารายการนี้หนักอยู่นะเราก่อกวนพระเนนในวัดไม่สงบสุขเลยนะอยู่กันไม่สงบสุขแล้วสุดท้ายท่านก็ไปหาหลวงตาพวง แล้วบอกไอสัตว์นรกสัตว์นรกออกไปจากวัดเดี๋ยวนี้เนี่ยหลวู่ดูลีปกติท่านพูดเรียบเรียบเงียบๆนะแต่คราวนี้ท่านพูดเสียงดังเลยแล้วก็ไม่เคยใช้คำนี้มา ก, ก่อนไอสัตว์นรกออกไปจากวัดเดี๋ยวนี้หลวงตาพงตกใจเลยนะแล้วโกรธด้วยนะหนอยมาเรียกผู้สําเร็จเรียกพระอรหันต์แบบนี้ไปก็ได้วะ่ะ ก็แบกโกรธนะออกไปแต่ไม่ใช่โกรธนะนะไปแบกอะไรสักอย่างเนี่ยที่คิดว่าเป็นโกรธ ด, นะด้วยความตกใจด้วยความโกรธนะไปก็ได้วะแต่ว่าพอเดินไปอถึงกลางทางนะไอ้ความหลงเนี่ยนะที่เกิดจากการที่จิตมันติดในอารมณ์เนี่ยพอมันถูกความโกรธกระแทกนี่มันก็ค่อยๆนะ หลุดจากอารมณ์นะจิต ท, ที่เคยติดอารมณ์อย่างหนักเลยเนี่ยพอโดนกระแทกเข้าไปด้วยความกโกรธนะปรากฏว่าพอเดินไปได้กลางทางก็ไอความหลงมันก็หลุดออกไปจากใจรู้ตัวแล้วเนี่ยรู้ตัวว่าหลงแล้วก็รู้ตัวว่าทำอะไรลงไป อย่างดีนะมัเหมือนคนมานะคนมานี่ทำอะไรไปแล้วไม่รู้เรื่องแต่ว่าหลวงตาพวงนี่รู้นะและลึกได้ว่าอสองสมาธิผ่านมาได้ทำอะไรไปบ้างสุดท้ายก็กลับไปขอขามาหนะลวงปู่ดุลจากคนที่หลงนะเกือบจะเป็นบ้าแล้วเนี่ยนะกลับมารู้สึกตัวได้เนี่ย เพราะว่าอำนาจความโกรธนะถูกด่าแล้วก็โกรธ ถ, นะถ้าโกรธนี่ก็ทำให้หายหลงได้เหมือนกันนะปกติเราก็รู้นะว่าหรือเห็นว่าความโกรธเนี่ยมันทำให้คนหลงถ้าโกรธเมื่อไหร่มันก็จมอยู่ในอารมณ์ไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วอันนี้เห็นบ่อย แต่ความโกรธนี่ถ้าจะให้เป็นนะมันก็ทำให้คนกลับมารู้สึกตัวได้นะหลวงปูดด่โดนนี่ท่านแก้อารมณ์ของหลวงตาพวงโดยการใช้กระตุ้นให้เกิดความโกรธนะและความโกรธนี่แหละมันก็แทกใจให้ที่เคยติดในอารมณ์เนี่ยมันลดออกมาพอจิตมันหลุดจากอารมณ์เนี่ยมันก็รู้สึกตัวขึ้นมาทันทีถ้ามองในงง่ในความโกรธก็มีประโยชน์นะ ความโกรธมันไม่เป็นผีแต่เพียงโทษที่ทําให้คนหลงลืมเนื้อลืมตัวถ้าใช้ให้เป็นความโกรธก็ทําให้คนเนี่ยกลับมารู้เนื้อรู้ตัวได้นอารมณ์ที่มันเป็นลบเนี่ยมันก็มีคุณเหมือนกันนะถ้าเราใช้ให้เป็นอันนี้รวมถึงความ อารมณอย่างอื่นด้วยนะความโศกความเศร้าความเนื้อเนื้อต่ำใจในสา ว, วิตการก็มีเรื่องราวของภิกษุณีท่านหนึ่งนะเดิมก็มีสามีที่จริงก็ไม่อยากจะมีครอบครวัวนะแต่ว่าพ่อแม่อยากจะให้มีสามีเป็นฝังเป็นฝา หลังจากที่ได้ดูแลปรณิบัตสามีมาระยะหนึ่งทำหน้าที่อย่างดีก็เห็นว่าได้เวลาที่จะต้องบวชละ ก, ก็เลยขออนุญาตสามีนะขอบวชสามีก็ให้นะมาบวชพิสุนีแต่บวชแล้วปรากฏว่าไม่นานก็ท้องก็เป็นเรื่องเนี่ย ที่แรกก็สรุปกันว่าเนี่ยที่ท้องนี่เพราะว่าต้องอาบัติปาราชิกมีการเสดเมถุตในห่วงบวชพิสุณีแต่ตอนหลังให้หนางวิสาขามาช่วยมาช่วยนับวันนะก็สรุปได้ว่ า, ามีเพศสัมพันธ์กับสา ม, มีเนี่ยก่อนที่จะมาบวช เพราะฉะนั้นก็เลยอ่าไม่ต้องอบัติปาราชิก เ, เมื่อเด็กเนี่ยครบนะเด็กอยู่ในครันครบเนี่ยก็คลอดออกมาคลอดมาแล้วเนี่ยอยู่วัดก็อยู่ไม่ได้นะก็ต้องหาครอบครัวนะรับไปเลี้ยงกบกว่าพระเจ้าพระเศียรที่โก่อนี่รับไปนะรับไปเลี้ยง เราตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่ากุมารกัตสปะกุมารกัตสปะขื้วตัวเองเนี่ยนะเป็นลูกพระเจ้าเปรตทนิโกศธนจนกระทั่งเมื่อโตขึ้นก็รู้ว่าแม่ของตัวเนี่ยก็คือพิสุณ์ีนะในวัดเชตวันก่อนหน้านั้นเนี่ยก็รู้สึกเป็นทุกข์มากเพราะถุกเพื่อนล้อว่าไม่มีแม่ตอนหลังก็พอรู้ก็ อก็มาไข่ควรกับชีวิตนะก็คิดว่าอยากจะบวชนะก็เลยบวชเนรนะและบวชเนรก็ตั้งใจปฏิบัตินะจน้าในสุขก็บรรลุธรรมไอ้ตอนบรรลุธรรมนี่ก็คำภีอพูดไม่แน่ชัดนะว่าบรรลุธรรมตอนเป็นเนนหรือว่าตอนเป็นพระและ้วเมื่อยุคร บ, บวชก็บวชพระ ก็นี่ส่วนพิษุณีเนี่ยนะหลังจากที่ลูกเนี่ยไปอยู่กับพระเจ้าปเสนีกุศลเนี่ยก็คอยฟังข่าวคราวด้วยความรักลูกจนกระทั่งรู้ว่าลูกบวชนะแล้วก็คอยติดตามดูนะก็รู้ว่าลูกเนี่ยบวชรู้ว่าคนไหนเนี่ยคือลูกของตัว วันหนึ่งบินธบาตอยู่เห็นกุมากรกสปะเนะี่ยไม่รู้ว่าเป็นสามเณรหรือพระนะเพราะว่าในตำรานี่ก็พูดนะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เห็นลูปของตัวเองเนี่ยอยู่ข้างหน้ากำลังบินธบาทก็ดีใจนะไม่เคยพูดคุยกันเลยนะก็รีบตรงไปหา มากุมารกัสปะหรือในกุมารกัสปะพอเพินสะดุดหกล้มนะอเนนกุมารกัสปะก็รู้เลยว่าอ๋อที่แรกก็นึกสงสารแม่นะแต่ก็มา น, นึกว่าเนี่ยถ้าพูดดีกับแม่เนี่ยแม่ก็จะยิ่งติดพันตัวเองมากขึ้นก็เลยเปลี่ยนไปพูดด้วยถ้อยคําที่ไม่มีหางเสียงว่าท่านทําอะไรอยู่ ทำไมยังตัดนะใจรักลูกไม่ได้ทำไมยังตัดความรักลูกไม่ได้พิสุนีิท่านนั้นได้ฟังก็เสียใจนะทั้งน้อยใจด้วยว่าเรานี่อุตสาหรักลูกคิดถึงลูกนะแต่ลูกมาพูดอย่างนี้กับเราท่านเสียใจมากเลยแต่ปรากฏว่า หลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็ทําใหนะ้ตัดใจลูกได้จริงๆเมื่อลูกไม่สนใจเราเรากนะ็มาตั้งหน้าปฏิบัติ ด, ดีกว่าเปรากว่าท่านปฏิบัตินะได้ไม่นานก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์อันนี้เรียกว่านะบรรลุธรรมได้เพราะว่าความน้อยเนื้อต่ําใจแล้วก็ผสมความโกรธด้วยนะ ลูกพูดกับเราแบบนี้นะเราเป็นแม่รักลูกคิดถึงลูกตลอดเวลาทำไมทำกับเราแบบนี้้เมื่อเกิดขึ้นกับใครเนี่ยก็ต้องทุกข์กันนะแต่ว่ามันก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ท่านเนี่ยหันมาปฏิบัติธรรมนะอย่างจริงจังแล้วตัดใจได้แล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหรันต ใ้ความเน้เนๆต่ำใจเนี่ยมันไม่ดีนะเกิดขึ้นกับใครก็ทุกทั้งนั้นแหละแต่ว่ามันสามารถเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลหรือว่าทำให้เกิดสิ่งดีได้อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคนที่ใช้อารมณ์บางอย่างเนี่ยเพื่อทำให้เกิดประโยชน์นะกับอีกฝ่ายหนึ่งเช่นใช้ความกกัวกระแทกนะให้หายหลงหรือว่าใช้ กระตุ้นให้เกิดความเน้เนื้อต่ำใจนะจะไดะ้ตัดใจนะในตัวลูกเซธีบุ้งหน้าสู่การปฏิบัติแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางมันเกิดขึ้นกับเราเองเนี่ยนะถ้าเราฉลาดพอเนี่ยแล้วก็มีสติพอเนี่ยเราก็สามารถจะใช้อารมณ์ที่เป็นอกุศลเนี่ยมาให้เกิดประโยชน์ได้นะ มีเณรคนหนึ่งนะเข า, อ, าอยู่ในสำนักของหลวงพ่อชาสำนักหลวงพ่อชาเนี่ยวัดหนองปลาพงเมื่อถึงวันพระนะก็จะมีการเทศจนดึกนะแล้วก็มีการปฏิบัติเนะนสักชิกจนรุ่งเช้าก็มีวันพระหนึ่งหลวงพ่อชาท่านก็ขึ้นทำ ม, มาศเทศ ตอนดึกแล้วท่านเทศยาวสามเณรเองคนเนี้นะลำคาญในใจก็นึกว่าเมื่อไหร่หลวงพ่อจะเทศเสร็จสักทีนึกว่าจะเสร็จแล้วก็ไม่เสร็จตัวเองก็ง่วงเหลือเกินหลวงพ่อช้าก็ยังเทศต่อ นเน่งก็ยิ่งหงุดหงิดนะลุกไม่ได้นะแต่ในใจเนี่ยมันพุ่งพลานแล้วก็บ่นขึ้นมาในใจพูดขึ้มาในใจว่าหยุดสักทีหยุดสนะักทีนะภาษัยสานว่าเสารซะเสาร์ซะในใจเนี่ยบน่นเสาร์ซะเสาซะนะมือมันไม่รู้เพราะเราเคยเป็นนั่นนะฟังบรรยายทำแล้วก็รอดูนาฬิก า, าว่าเมื่อไหร่มันจะหยุดสักที บานทีก็ง่วงอสับสงงก็ยังไม่ยอมเลิกสักทีเ น, นี่ยในคนนี้ก็มีอาการแบบนี้แหละในใจก็บ่นว่าหยุดสักทีหยุดสักทีเศ้ซาซะเศ้ซาซาจิตใจก็ร้อนรุ่มนะแต่จู่ๆก็ได้สติขึ้นมาว่าทำไมเราอย่าให้ครูบาอาจารย์อย่าให้าาใหลวงพ่อเนี่ยหยุดแสดงธรรมแล้วเราอ่ะ เมื่อไหร่จะหยุดนะเห็นแก่ตัวเมื่อไหร่นะจะหยุดทําตามกี่เหลือสักทีเมื่อไหร่จะหยุดบนสักทีพอได้สติงี้ปุ๊บเนี่ยนะไอความคิดที่นึกบนนะหลวงพ่อชายมันหยุดเลยนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็กลับได้ความคิดว่า เอาคำว่าซอสซ่านี่แหละนะมาเป็นมาเป็นอารมณ์ในการภาวนาซะเลยนะในขณที่ยังมีความขุนเคืองอยู่นะแต่ว่าพอได้สติเนี่ยก็บริกรรมเลยนะซศสซ่าซอสซาจากเดิมที่หงุดหงิดก็ค่อยๆเย็นลงเย็นลงนะพอคำบริกรรมเนี่ยซอสซ่าซา แจิตค่อยเย็นลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตนี่ดิง่งนิ่งแล้วก็ดิ่งลงไปเลยนะจิตมันรวมลงไปเปิดตาอีกทีนั้นะปรกนาก็สว่างแล้วสว่างแล้วไม่รู้ว่าเป็นช่วงเวลาบินธบาตหรือว่ามันเลยเวลาบินธบาตไปแล้วปรากว่าจิตเนี่ยเป็นสมาธิมากเลยนะจากไอ ไอ้คำว่าซาวซ่เนี่ยจากความหงุดหงิดเนี่ยนะแล้วก็มันบ่นออกมาว่าซาวซ่าซาวซ่าเนี่ยเอาเอาคำบ่นนี่แหละนะมาเป็นอุปกรณ์ในการบริกรรมซะเลยก็จีก็สงบได้นะะปกติเราก็จะนิยมใช้คำว่าพุทโธ น, นะถ้าเป็นสำนหรับหลวงพ่อชัยใช้คำพุทโธครูบาอาจารย์ก็แนะนำพุทโธนะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราหงุดหงิดขึ้นมานะบางทีไอ้คำบ่นนี่แหละนะที่มันสามารถจะใช้เพื่อทําให้ความหงุดหงิดมันคลาลงไปได้อันนี้เข้าทานองนะใช้ความโกรธละความโกรธใช้ความหงุดหงิดละความหงุดหงิดนะไอ้สิ่งที่มันเป็นกิเลสเป็นอกุศลเนี่ยถ้ามันใช้ให้ดีเนี่ยมันก็สามารถจะทำให้เกิดเป็นคุณได้ ตันหาก็เหมือนกันนะตันหาเนี่ยก็สามารถใช้ลักกิเลสหรือใช้ลักตันหาได้นะมีตัวอย่างเยอะแล้วในในสมัยพุทธกาลอย่างพระนันทะเนี่ยเป็นญาติของพระพุทธเจ้านี่เหมือนพระเจ้านี่มางานงานมั่นนะพอพระเจ้าฉันเสร็จนะก็ให้พระนันทานี่แหละ เดินถือบาทตามไปที่สํานักพอพระนันธาไปเดินไปถึงบาทอ่ดเดินไปถึงสํานักแล้วผู้เจ้าก็เลยชวนบวชเลยพระนันทานี้ตอนนั้นเป็นคาราวาก็คือเจ้าชายนันธานเนี่ยก็ไม่กล้าปฏิเสธนะก็ยอมบวชนะบวชไปแล้วนี่ก็ยังจิตใจทวินหานนะถึงนางชวนบทกัลยา น, นีเนี่ยคู่มัน่น ซึ่งเป็นคนสวยเรียกว่าร้อนพ้าเหลืองเลยนะพะพุทธเจ้าก็เลยพาชวนไปชมนางฟ้าในสวรรค์นะคือบรรดาที่เกิดนิมิตเห็นนางฟ้าซึ่งสวยทั้งนั้นพระนั้นถ้าเห็นก็เกิดความเรียกว่าปฏิพัฒน์นะเกิดความาพึงพอใจขึ้นมา อยากได้นางฟ้าทำยังไงอ่ะถามผู้เจ้าผู้เจ้าบอกก็ภาวนาสินางฟ้าที่พนธ า, าเห็นนี้งดงามกว่านางชนบทริลาณีเยอะด้วยความอยากจะได้มีนางฟ้าหรือได้ครอบครองนางฟ้าเนี่ยพันทักเลยภาวนาตั้งพยายามภาวนาลืมนางชนบทริลาณีไปเลย ทำอย่างนี้ไปสักพักก็เพื่อนพระในสำนักรู้ก็หยอกเลาะนะหรือว่าพูดกระทบว่าเนี่ยรับจ้างบวชรับจ้างภาวนานะไม่ได้พาวนาด้ศัทธาพนันทาก็เกิดความขุนเคืองใจนะถูกต่อว่าอางี้ก็ต้องไม่พอใจแล้วเกิดมาหน้าขึ้นมานะว่าพูดอย่างนี้กับเราได้ยังไงนะหาว่าเราเนี่ย มาบวช ด, ด้วยมาภาวนาด้วยคาดจ้างนอาจจะมีทั้งความรู้สึกอายก็ได้แล้วความรู้สึกว่าอาเสียหน้าก็ทําให้เกิดความตั้งใจนะเอาละเนะี่ยเราจะทําให้พิสูจนให้ดูว่าเนี่ยเราก็ทําได้เหมือนกันที่เราก็ไม่ใช่เป็นอย่างที่ท่านว่าก็เลยตั้งนั่งตาภาวนาเนะ พรบเกิดว่าภาวนาจนบรรลุธรรมได้อันนี้ก็เรียกว่าอาศัยอํานาจของตันหาแล้วก็มานะนะที่แรกมาภาวนาเพราะตันหาแต่ต่อหลังทิ้งตันหามาเพราะเกิดมานะทั้งตันหาและมานะก็เป็นกิเลสนะแต่ว่าก็สามารถจะนําไปสู่การปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์จนกระทั่งละซึ่งตันหามานะ หรือว่ากิเลสได้มีภาพรูปหนึ่งนะเดิมก็เป็นยาจกเข็นใจขอทานอดมือกินมือ้อวันหนึ่งก็เดินเห็นพระภิกษุเดินมีถาบแล้วก็มารู้ว่าโอ้มอีคนใส่บาตรเป็นประจำ ไม่มีคำว่าอดอยากสบา ย, ยางั้นบ้างก็เลยตัดสินใจบวชบวชแล้วก็คงอาจจะคิดว่าบวชชั่วคราวนะเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าที่ตัวเองสวมใส่เนี่ยก็ไม่ได้ทิ้งนะก็แขวนไว้ในป่าบวชแล้วเนี่ยก็ไอ้เรื่องความยิ้โหยก็หายไปแต่บวชไปนานๆ น, น, นะ ก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าวิทย์นยเนี่ยก็อาศิขาบทเยอะจะทำอะไรก็ไม่ได้ทำอย่างที่ตัวเองปรารถนาไม่ว่าจะเป็นเวลานอนเวลาตื่นไม่สามารถจะมีอิสระอย่างคารวาดได้ก็เกิดความกระสันจะศึกนะเมื่อจะศึกเนี่ยก็นึกถึงเสื้อผ้าที่ตัวเองเนี่ย แขวนไว้ในป่าเดินเข้าไปในป่าเห็นเสื้อผ้าก็นึกถึงความยากลำบากสมัยเป็นขอทานก็เลยเปลี่ยนใจนะไม่ศึกทำอย่างนี้อยู่หลายครั้งแล้วเวลาเดินออกจากป่าเนี่ยเพื่อนพาเห็นก็ถามว่าท่านไปไหนท่านก็ตอบไปหาอาจารย์อาจารย์เนี่ย ไม่ใช่คนนะไม่ใช่พุทเจ้านะแต่คือเสื้อผ้าปลูก ป, ป่าเนะี่ยฉันทำอยู่หลายครั้งในสุดท่ายเกิดความเครืจิตใจค่อยน้อมสู่การปฏิบัติมากขึ้นนะเพราะว่าอาศัยกิริยณมิตรนะอาศัยชุมชนเนี่ยที่ค่อยกล่อมกลาวให้เกิดศรัทธาในการปฏิบัตินี่จําเป็นมากนะเพราะว่าเม่ว่าในสมัยพุทธกาลหรือว่าในสมัยหลังๆเนี่ยคนที่มาบวชพระเนี่ย มาได้บวชบวช ด, ด้วยหลายสาเหตุนะที่อยากสบายก็มีมาบวชตามประเพณีก็มีแต่บวชแล้วเนี่ยปบอกว่าอยู่ๆไปจิตใจค่อยๆน้อม เ, เกิดศรัทธาในชีวิตพมจันทร์ศรัทธาในพระรัตนตรยัยครูบาอาจารย์หลายท่านนะที่เป็นเกจิอาจารย์ที่เรานับถือกันมาในยุคหลังๆเนี่ยท่านก็บวชนะด้วยประเพณีก็มี บางทีบวชเพราะว่ามีความทุกข์ในชีวิตคขลือหัสไม่ได้มีความศรัทธาในการบวชเท่าไหร่แต่บวชไปบวชไปก็เกิดศรัทธาขึ้นมาอย่างาพิสุรุ่มนี่ก็เหมือนกันนะท่านก็ต่อหลงท่านก็ปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติตนกรงทั่งบรรลุธรรมเป็นพระอรหรันต์หลังจากดัานท่านก็ไม่เคยเดินเข้าไปในป่าเลย เพื่อนพระก็แปลกใจว่าเดี๋ยวนี้ท่านไม่เข้าไปในป่าก็ถามว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้ท่านไปไปหาอาจารย์เหรอท่านตอบว่าเราไม่ต้องเราไม่ต้องอาศัยอาจารย์ละเพื่อนพระก็หาว่าท่านเนี่ยอวดอุตตริมุสธรรมเนี่ยอวดอุตริมุสธรร ม, ร ม, รรมก็ไปทูลฟ้องพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าก็เลยเรียกมาถามที่จริงพระองค์ก็หนัดรู้แล้วนะว่าท่านเนี่ย ท่านนี้เป็นบรรลุธรรมแล้วนะแต่ว่าต้องการให้เป็นที่ประจักรรับรู้กันในหมู่สงฆนะ์ก็เป็นรรู้ ก, กันระยะที่พระงได้ซักไซต์ไต่ถามนะก็เป็นที่รู้กันในหมู่พระว่าท่านนี้ได้บรรลุธรรมแล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคนที่บรรลุธรรมนะเพราะอาศัยกิเลสนะอาศัยตัณหาเนี่ยมันเป็นตัวแรงผลัก คือที่บวชต่อเนี่ยเพราะว่ากลัวลำบากไอ้ความกลัวลำบากกลัวจะไม่มีกินเนี่ยมันก็เป็นตันหาชนิดหนึ่งนะความขี้เกียจก็เป็นตันหาชนิดหนึ่งอยากสบายกลัวลำบากไอ้ความอยากสบายนยทําให้ต้องกลับมาบวชพระใหม่อกลับมาบวชกลับมาอยู่ปฏิบัติเป็นพระใหม่ สุดท้ายก็ค่อยๆน้อมไปสู่อั น, นี้มมยองแปดนะเพราะนั้นเนี่ยนะเวลาเราเวลาเราทำเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ต่างๆในจิตใจเนี่ยให้เราตระหนักว่าอารมณ์แม้แต่อกุศนีน่นะ มันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะถ้าเรารู้จักใช้มันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถูกมันใช้มากกว่าเอาลมอกุศลความโกรธความเศร้าเนี่ยมันใช้มันใช้เรามากกว่าเวลาโกรธมันก็ใช้เราให้ด่ามันใช้เราทําลายข้าวของมันใช้เรากานแก้งเวลามีความโลภเช่นตัณหามันก็ใช้เราผิดศีลลักขโมยโกงคอร์รัปชั่น หรือไม่ก็ทำตามความอยากไปหาของมากินหาของมาเสพตามกิเลสไอ้ที่เป็นปัญหาเพราะว่าเราปล่อยให้มันใช้เราไม่พูดง่ายคือเราไม่เห็นมันข้อไปเป็นข้าไปเป็นมันหรือถูกมันครอบนั่นเองของทุกอย่างนะ ถ้าเรารู้จักใช้นะมีคุณทั้งนั้นเงินทองเนี่ยถ้าเรารู้จักใช้ก็เป็นประโยชน์แต่ส่วนใหญ่เนี่ยฐานที่จะเป็นนายกลับเป็นท่าของมันมันใช้เรานะเงินเนี่ยมันใช้เรามันใชใ้เราให้ยอมตายเพื่อมันยอมโกงเพื่อมันอย่ายอมทำชั่วเพื่อมัน เงินมาเป็นบาวที่ดีแต่เป็นนายที่เลวเอาลมากุศลก็เหมือนกันนะถ้ า, าว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราใช้มันเนี่ยมีประโยชน์แม้แต่จะใช้ในลักษณะที่เป็นการดูมันเห็นมันนะมันก็ทำให้เร า, าเห็นสัจธรรมได้เหมือนกัน กิเลสหรือว่าอารมณ์ความโกรธเนี่ยถ้าไม่เห็นถ้าเราไม่เห็นมันนะมันก็เล่น ง, งานเราแต่ถ้าเรามีสติเห็นมันนะมันก็สามารถจะแสดงสัจธรรมให้เราประจักษ์ก็ได้เพราะว่าอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันก็เลืดแลแต่แสดงอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาให้กับเราได้ทุกเมื่อ มันทำให้เราเข้าใจเรื่องรูปเรื่องนามก็ได้เหมือนกันให้เวลามันเกิดขึ้นในใจเนี่ยอย่าไปผักใสมันเกี่ยวข้องกับมันให้ถูกใช้มันให้เป็นแค่เห็นมันก็พอแล้วไม่เข้าไปเป็นไม่ถูกมันครอบเนี่ยมันก็จะทําประโยชน์ให้กับเราได้รู้จักพิจารณานะอถ้าไม่พิจารณาเนี่ยไปกดข่มมันไปต่อต้านมันกลับทําให้มันมีกําลังนะ อารมณ์พวกนี้ถ้าไปกดข่มไปต่อต้านผักสายเนี่ยมันยิ่งมีกําลังนะสามารถจะครอบงําเราได้มากขึ้นก็เหมือนกับเวลาเราโกรธใครอะ่ะเมื่อเราโกรธใครเราเกลีใครเนี่ยนั่นแปลว่าเรากําลังให้เขาทําให้เขามีอํานาจเหนือเราเราโกรธนายกเราก็ก็เท่า ก, กับว่าเรากําลังให้ในายกเนี่ยมันมีอํานาจเหนือเราเห็นหน้านายกเมื่อไหร่เนี่ยโอ้ยหัวใจเต้นเร็วนะเกิดความ รุมร้อนในใจขึ้นมาทันทีเกรียดขายก็เหมือนกันนะเห็นหน้าคนนั้นเนี่ยยิ่งเป็นทุกข์เลยนั่นคือเรากำลังให้อำนาจเขาในการมาสร้างความทุกข์กับเราอันนี้ไม่ใช่วิธีของคนฉลาดนะถ้าไม่ให้เขามีอำนาจเหนือเราหรือไม่ให้สิ่งหน้ามีอานาจเหนือเราก็ต้องนะรู้ทันเห็นมันนะไม่เข้าไปเป็นมันอาคำนี้พูดกันทวนนี้นะกรับครบ